จะพูดยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะสิ้นจบได้เพียงเป็นแม่แนวคำพูดเพื่อเป็นการพูกศรัทธาตนเองแต่ความจริงแล้วมันกปฏิบัตินี่สำคัญคือปฏิบัติเราพูดกันว่าปฏิบัติวันนี้ก็มีพักอะไระนี่ก็จำไม่ได้จะเป็นคนอินเดียหนุ่มสองอค์มาจะพัฒนาท้ามาเรียนในช่วงนี้นั้ น, น มาขอจบกรรมฐานอยา่างสามเดือนนี่คนมันจะเรียนจบได้มันก็ยังมีภพสงสัยเรื่องการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี่มันก็นหลายอย่างบางคนพอปฏิบัติกรรมทานบางคนก็ต้องรับลิ้นบางคนก็ต้องให้ทานมันหลายอย่างแต่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 เรื่องความเหงาตึงตึงตาตึงเสานั่นจะไม่มีไม่เกิดขึ้นเรื่องความเที่ยวเหงา อ, อย่างที่บ้านหลวงพ่อเจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันรู้ทำเองการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนทําทำการก็ทําแบบนี้เรียวว่าสมาถะกรรมฐานสมถาถะกรรมฐานนั่นเรียวว่าทําให้สงบจิตสงบใจ จะทํำมิจฉาพอตามให้มันสงบติสสงบใจเราทุกคนเรต้องการความสงบเลยไปอยู่ที่แหนน้องก็เดือร้อนมันไม่สมงบไปทําสมาทานสมาทานก็เช่นเดียสงบแต่เมื่อในขณะที่เรานนั่งอยู่คนเดียวเราไม่ต้องพูดต้องคุยใครหลับตาอย่างเงียบภานาจะหาแจกเข้าก็ได้จะหายใจออกก็ได้สั้นยาวหรือลมหยาบละเอียด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 เมื่อความไม่รู้หายไปหมดแล้วมีแต่ผมรู้าว่าผมรู้เท่าไร่าสติสมาธิปัญญาล้วนๆนี่แต่เราไม่รู้่ะสติสมาธิปัญญาล้วนๆได้มีกฎหมายอยา่างไรมคือว่าสติสมาธิปัญญาล้วนๆคือมีแต่ของล้วนๆไม่ใช่ของปอมแปลงไม่ใช่ของหลอกลวงเขงาบอกล้วนๆเนี่ยหมายถึงว่ารู้ ก, ก็บรู้จริงๆใิที่กกสุด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 ให้มันรู้คิดแต่อยไปห้ามของคิที่หลวงพ่อพูดแบบมี้ก็จะงงใมยนไวที่สุดพอดีมันเลือเนื้อเรื่องำนานแล้วกันบังนีก็จะเดินจากรมในจมกรมที่จะนี้ก็ได้ด้วยออื่นแล้วก็ได้เดินมันาเ้ยมันเลยมันก็ทำอย่างนเวลาเดินจกรมไม่ต้องภาวนาเอาลมรู้สึกเอารู้สึกท่าแต่ปลาหมาดูสนถ้าเราจะดูที่เดียวมันเลยเรินทางนี้ให้มันลู้ยกขึ้นลงไป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 ในไอเดียบทเขาเข้าใจไหเออมันเป็นาเทียมเป็นคำคำแทรกู่คำนงนึกู่อรย่างเี้วันนี้เราไม่ได้ไม่ได้คำนึกูเลยคือเรายังมากการดูตัวกันดโทพูดโทที่มีคมหมายพดโท้เข้าใจว่าโทแล้วนะพดโทที่เราซออขาตุนค่ะตัวไม่รู้จักเลยดูอันนี้เป็นรูกเนี่ยเขใช้สั่งด้วยนะขึ้นลูปไม่ใช่ลูคํำอย่างนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ลูกทำเลย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 พอใจไม่พอใจชอบเปรียบตา่า ง, งนี่ว่าไม่ลูกโลกทางใจมันเขามีค่ะมุลุจการนี้เก็ต้องสภาพมันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นทุกทุกแ์เปคนไม่ไหวนั่งนิ่งๆดูเนะเดีย๋ยวนี้มันไหวที่ไหนอย่างนี้มันมีไหวไม่เริ่มไม่ไหวติดสงบเลยไม่ไหวโอ้ไห ว, วที่ไหนเรองถ้าเรานั่งนิ่ง ๆ, ๆจะไม่ให้มันไหวที่ไหนมันิด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 เคได้ินไหมเินไหเกิด ม, มาเนี่ยเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทีเดียวหมายถึงว่าคนเรามาเกิดเป็นคนเนี่ยมันมีพูดให้มันชัดเราจะคิดว่าเราจะได้มาสิดที่าอยากเข้าใจไหมเราต้องทำให้มันถึงที่สุดของเราอย่างน้อยก็ต้องให้เรารู้ในสิ่งว่าจริงเรื่องนี้ถ้าหากเราไม่รู้จริงๆแล้วการทำการพูดการคิดนั้นจะไม่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 นี่อันนี้เรียวกว่าวิปัสนาที่คำพูดนั่นนี่เมื่อคนได้รู้อย่างนี้แล้วเขาได้ต้นฐางแล้วดังนั้นวันนี้กี่วันเน้นนำวิธีปฏิบัติผลของมันการยกมือขึ้นเอามือไปเอามือมันผลการของมันกุจะมาละงะังับโมคะโมฆะนี้ถ้าใครมีโทสามากจะทำลายโทสามก่อนอยาเห็นโทสาโทหน้าขึ้่อน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 รูพยายามทำาามรักษาหน้ทำอยู่ที่ไหนก็ไยังวัระก็ะย่อสอนให้เรามีสติกำหนดรู้ในอเลี้ยบทย่อยไม่ต้องพูดอเลียบทั้งนะครับอเลี้ยอันนี้ อ, ยอยเลี้ยบทย่อยนะเรั้งไว้ น, นี่แล้วพิษตารู้ไหมยังเป็นหลักฐานตานรู้บัตาให้รู้สึกว่าพิษต า, างกับบครับตอนนี้อเลี้ยต้องรู้ในตหายใจรู้ายใจยังไม่รู้ครับต้องพยาย า, ามอย่างนีะะ้นี่ปฏิญาตสตว์สื่อนี่ คิดตามันรู้หายใจมันรู้คิดมันรู้มันจะรู้ตวคิดตัวคุมคิดเนี่ยเป็นตัวกุศลนะรู้คุมคิดเป็นธธนะกุเทวสารนะบุญมันรู้อันี้ญาติโยมยังไม่เคยพใจที่ทททททข้าวเวรอะรอั น, นที่ทยท ก, กตับถึงทุกสมุทัยอะไรที่แบนี้ลิมักทุกมันขึ้นไปทุกสมุทัยทำให้กกตัวกิกระตุ้นคิดตัวคิดเป็นตัวสมุทัยอันนี้ทุกสมุทัยทั้งกระตุ้นแลวตัวคิดมัทําให้ทุกให้ถุก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 มัเป็นตวเพื่อให้ถึงคนตะทุกเนี่ยคือเพื่อว่ามีโรคถึงคนตะตรวมีโลคเดี๋ยวคนตะตัวจทบอันนี้ก่อนมักมักเป็วอะไรทำอันนี้มันมากเลยมคุมมักมนลตัวบันไดมันขึ้นมันลุกตัวเป็นมักดยจิตดูใจเราเป็นมักนี่โลคดขบงคนตกดับได้คือมันขึ้นมาตกมันดับบางทีมันลุกดับบางเป็นโรคเรื่องคันา คุก้นไปจากการป่วยแก่หรือคันห้าลูกค น, ปนไปได้ขันห้ากับลูกมีนาัญญากระขานวิญญาณ น, นะลุกพ้นไปจากการปูวแก่ไม่ได้เพราะว่าขันห้นลูกไม่ใช่รูกคนเป็นอย่างถูกย่างที่นกิจคือลุกพ้นตัวมังโคลาโมคะโมคะลุกพ้นงงลงมเนะี่ยมันจะไม่ป่วต้องได้เออแล้วยอด น, น, นเลือผ้าก็ไปสอนเหมือนกันเราะ้าต้องทำบุญก่อนดีแล้วทาบุญลพอมาได้ผิดีแล้วบุญมได